กราบกราบ ร, บรมาสการเจ้าค่ะขอโอกาสสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้นะเจ้าค่ะว่าพรมท่านอัญเชิญมหาบุลิษลักษณะมาใส่ไว้ในพระคำพีของพราหมณ์แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีผู้โต้แย้งบอกว่าก็ในกรณีที่พระมหาสัตว์ตัดพระเกศาเครียงขึ้นไปหรือในกรณีที่พระมหาสัตว์นั้นลอยถาด ตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นการเสี่ยงทายด้วยหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่ใช่คืออย่างนี้นตว่าคือจริงๆเขาเรียกว่าอธิษฐานกับการเสี่ยงทายคนละอย่างหนึ่งว่าอธิษฐานเนี่ยคนมีบุญเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยสำเร็จใช่ไหมดังกล่าวไว้คือคนมีศีลนั่นเองการว่าการที่พระโพธิสัตว์เนี่ ย, ยที่ท่านเออตัดพระเมารี แล้วก็โยนนี่นีพรมถามบอกว่าบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระโ พ, พ, พธิสัตว์ขนาดพรมซึ่งเป็นพระอราหารอันต์ยังต้องใช้ถาดทองคาต้องถาดมารองรับแล้วต้องเอาไปบรรจุไว้บูชาจนทุกวันนี้ฉะนั้นแม้เสื้อผ้าแม้สิ่งของที่พระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านใช้สอย ทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเป็นสั ญ, ญลักษณ์คนละลึกเลื่อมใสแล้วนําสู่สุคติได้หมดเลยคือของคนพระพุทธเจ้าตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นแล้วพระเจ้ามองเห็นหาใครเสมอพระองค์ไม่ได้เห็นไหมเสมอไม่ได้เส้นพระเกศาของพระบรมศาสดามาจากกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏยี่สิประสงค์ไครยิ่งด้วยแสนมหากัรเนื มาจากบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมรัตถบารมีสิบนะืทุกเส้นเนะืถูกกรรมที่ประณีตตกแต่งขึ้นนั่นแหละเขาเรียวกว่าสลีลัคุณสลีละคุ ณ, คณเพราะเป็นมหาบุริสลักขณาใครตั้งสัตร์ทธาเลื่อมใสในตรงนั้นเนี่ยเขาเลื่อมใสอะไรเขาเห็นพุทธคุณในสลีละน้อมเห็นคุณ ที่พระศาสดาทรงทามาอย่างยาวไกลทรงเห็นพระทานบารมีพระศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีของพระบรมศาสด า, สดาที่ได้ทรงทาไวขั้นการสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างยาวไกลในอดีตจึงได้พระเมาลีได้พระเกษาแบบนี้ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะเสี่ยงทายนะฉะนั้นการกระทาใดๆเนี่ยเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างรอที่จะ ดำเนินการคอยจะเอาไปสการะบูชากันทั้งนั้นแม้แต่ถาดทั้งหลายเหล่านั้นที่ตั้งกัาไว้นะที่ก็วิ่งไปตรงกลางแล้วก็แล่นขึ้นไป8ปสองแล้วก็จมลงอันนั้นเป็นไปเพื่อการที่จะพาญนานาคทั้งหลายก็ลุกเงยขึ้นมากล่าวคาถาเป็นร้อยบทพันบทบูชาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการเสี่อมถาย นะเป็นเรื่องของการอธิษฐานของท่านอย่าลืมนะเป็นประเพณีของท่านด้วยนะเป็นประเพณีที่ท่านจะต้องทําอย่างนั้นด้วยอืออาจารย์คือในกรณีที่เป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ตอบว่าเป็นอธิษฐานแล้วก็เป็นประเพณีทีนี้ถ้าในกรณีของผู้ที่ เขาชอบเสียงทายแต่เขาบอกว่าขณะที่เขาเสี่ยงทายนั้นเนี่ยเขาอยู่หน้าพระพุตธเจ้าเขาก็ขออํานาจบารมีของพระผู้เมียภาคเจ้าเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงการรู้เรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยเช้ค่ะอ๋อคือตรงนี้ก็คือว่าถามบอกว่าการกระทําใดๆเนี่ยใ น, ยนยกรณีาการเสี่ยงทายนเนี่ยถ้า ในชั้นของคำสอนก็ไม่ให้ทำแบบนั้นที่ไม่ให้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรก็ต้องดูว่า 1. ไอใบที่มีคำตอบนะ่มันมีอยู่แล้วไอติ้วทั้งหลายนะั้นมีอยู่22ไม้เบอร์ 1-22 ถึงแล้วมันก็เขียนคำตอบไว้หมดแล้วกรณีาการเสี่ยงทายนะี่ยมันต้องเกิดขึ้นโดยชนิดไม่ใช่มีใครมาเขียนไว้ก่อน มันมีคําตอบรอไว้ก่อนแล้วเนี่ยมันก็วนเอาคนทั้งประเทศคนเป็นจํานวนตั้ง60บล้าน70ล้านคนหรือคนทั้งโลกเนี้ยเอาชีวิตไปฝากไว้กับไม้22อันนะไม้12อันบ้าง22อันบ้างอะไรก็แล้วแต่เธอบางทีก็30อันก็แล้วแต่เฮอบางคนหนักไปกว่า น, นั้นอีกเอาชีวิตไปเสี่ยงไว้กับคว่ำกระงายเนี่ยโยนขึ้นมาก็ก็แก้ก็แก้ก็ไปนั่งหงายกันอยนู่เนี่ยนะ ทำไมถึงตีบตันทางด้านความคิดมากกันขนาดนั้นเมื่อเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาเรื่องความรู้รวมความเข้าใจเรื่องเหตุผลพระพุทธเจ้านั้นอธิษฐานเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีบุญนี่เรายังไม่เคยมีบุญอะไรมากขนาดนั้นเลยลองอธิษฐานอะไรเลาเคยได้แบบนั้นไหมแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยและเราศีลเราเข้าใจแค่ไหนเราเดินได้จริงไหมในชีวิตถ้าหากว่าเราศรัทธาตั้งมั่นจริงๆเนี่ย เชื่อกรรมใช่ไหมคือเชื่อการกระทำเพราะพระพุทธเจ้าท่านเชื่อกรรมของท่านท่านระลึกอดีตได้แล้วเราละระลึกอะไรได้บ้างเนี่ยระลึกอดีตก็ตีบตันระลึกอนาคตก็ตีบตันแต่พระบรมศาสดาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะได้สมาบัติเมื่อไหร่ก็เป็นของง่ายสําหรับท่านเลยอ่ะแค่เป็นเด็กชายเล็กๆ เ, เนี่ยนั่งเข้าสมาธิแป๊บเดียวปฐมฌานก็ตั้งขึ้นแล้ว ก่อนที่จะตัดสรูก่อนที่อธิษฐานถาดนะ่ยท่านได้สมาบัตแ8แล้วนะี่ยระลึกชาติได้เห็นนรกสวรรค์เกลี้ยงท่านรู้อดีตนาคตท่านมีสมาบัตแ8เรียบร้อยแล้วเนอนนะนแล้วมีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาิเต็มไปหมดเลยอริญญา5หท่านมาอย่างเอกบุรุษของโลกมาอยู่ผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้มาอยู่ผู้ยิ่งใหญ่ก็ปแปลว่าบา ร, รมีเต็ม ศีลเต็มทานเต็มศีลเต็มเนี่ยแล้วอย่างเราลองสังเกต ด, ดูทีใช่ไหมยอย่างเราเนี่ย <c oughs> กลับไปพยายามทีจะโน้มเอียงว่าไอ้เขย่าแบบนี้ใช่ไ้มและซึ่งมีคำตอบอยู่แล้วถ้าเราเนี่ยเนะเอาอย่างนี้ว่าคนมีบุญอย่างนางนันทมาดาหรืออกคาข้ า, าวบดีอกคาข้าบดีเนี่ยบอกว่า เทวะท่านกําลังมีเทวดามาหาท่านเลยอ่ะมาเบสเสร็จก็มาบอกว่าข้าแต่ท่านอุกคาข้าเรดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรูด้ดีเอบอบท่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนี่ยพอท่านฟังอย่างนั้นท่านบอกท่านไม่อาศจรย์หรอกเพราะท่านไม่ต้องเชื่อผู้ใดแล้วถ้าอย่างเราก็มาคุยฟุ้งเลยเทวดามานั่งคุยกับเราใช่ไหมหรืออย่างนางนันทามารดาเนี่ย ท้าเวสสวร์เนี่ยมายืนอยู่บนขอบหน้าต่างรออยู่บนอากาศสนธนาสาธุพีหญิงสาวทุพี่หญิงอะตอนที่ท่านกล่าวปรายนาสูตรท่านก็ไม่ไม่อัศจรรย์ไม่ตื่นเต้นเลยนะท่านก็โอ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของท่านเลยนศภาษารีบุตรพระโมคคานาฐานท่านยึงตอบอุคฆกรรมดีสาวกเผู้ภิกษุมาถามท่านท่านก็บอกท่านไม่นานท่านไม่ได้ไปที่คุยทั่วเลยนะนี่คือคนมีบุญไงคนมีบุญนั้นน่ะ ไม่ต้องอธิษฐานเทวดาก็มาบอกเทวดาก็มาคุยด้วยไม่ต้องไปเขย่าไม้ติ้วให้ให้เหนื่อยแรงหรอกไม่เขย่าทาไมชีวิตเราอย่าไปไปฝากไว้กับไม้30อัน2 2อันสิเราต้องรู้เหตุเหตุของความรวยมาจากทานกุศลใช่ไมเหตุของความอายุยืนเนี่ยมาจากการไม่ฆ่าสัตว์หญิงนี่เป็นต้นฉะนั้นมันมาจากเหตุและผล พระพุทธเจ้าบอกทั้งหมดเลยย้ะไหมว่าทําไมพระพุทธเจ้ามีพระเนตรอย่างนี้ทํากรรมอะไรมาทําไมมีพระนาสิกอย่างนี้ทํากรรมอะไรมาทําไมมีพระโอสถอย่างนี้ทํากรรมอะไรมาทําไมมีฟันคือพระทานตะอย่างนี้ทํากรรมอะไรมามีพระนัขาคือมีเล็บอย่างนี้ทํากรรมอะไรมาจะบอกละเอียดละอ้อเลยละเอียดละอ้อเลยทุกชิ้นส่วนที่ทรงได้มาแต่ไม่ใช่ทํามาเพื่อเป็นประดับให้สัตว์เกิดราคะดังกล่าว เพื่อใหสัตว์ได้เกิดความเข้าใจและได้ศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วจะได้ฟังธรรมเพราะสัตว์โลกนั้น3ส่วนจาก4ส่วนนั้นติดสีติดรูปพระพุทธเจ้ากระทารูปให้งามเพื่อจะได้เป็นปัจจัยใหสัตว์นั้นตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ติดเหมือนพระวกักกะลีอย่างไรพระพุทธเจ้าตําหนีเลยแต่ต้องการให้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาพระเจ้าจะได้ให้เข้าถึงระธรรมและจะได้ตัดสรู้์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า Yeah, อ๋อยบอนพรจะพรจะชัดเจนเนี่กลับยินถามท่านอาจารย์อีกครั้งครับเอ่อเคยอ่านหนังสือในพระตาปยตไตรวิศกได้กล่าวถึงว่าอาจินไต้ครับออยบอนคือเป็นสิ่งขอใท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างครับอาจินไต้เลครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องรู้ทางคารวะไม่ต้องรู้เรื่องเยอะมันเป็นอาจินไต้อ๋อยบอน oh, <yeah>, คำว่าจินไต้เนี่ยที่ท่านสอนว่า สิ่งที่มันเกินวิสัยเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นว่าพุทธญาณเป็นอาจินไตคําว่าเป็นอาจินไตเนี่ยพิจารณาอย่างไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งได้ท่านก็พูดถึงว่าศรัท ธ, ธาของบุรุษชนเนี่ยนะศรัท ธ, ธาของบุรุษช น, นกับศรัท ธ, ธาพระโสดาบันสกาทานาคาพระทหัรตลอดถึงศรัท ธ, ธาของภาษาคือพูดถึงปัญญาเนี่ยพูดถึงศรัท ธ, ธาพูดถึงปัญญาด้วย ก็คือบุรุชนเนี่ยมีปัญญาในขอบขีดจากัดพระเจ้าใช้คําว่ากรรมและผลของกรรมเป็นอจินไตยยกตัวอย่างเช่นยอมทีนะถ้คิดบอกว่าทํากรรมอะไรมาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้พอรู้พระเจ้ากยวางหลักคร่าวๆไว้ให้ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพ้อพูดผิดในการมไม่พูดเท็จไม่พูดส้อเสียนไม่พูดคําหยาบและไม่พูดเพอเ้อเจ้อไม่โลภไม่โกรธ มาจากศีลห้กุศลกรรมบุทําให้มันเกิดเป็นมนุษย์และกุศลประเภทไหนพุทธเจ้าก็บอกไว้ด้วยทานประเภทไหนศีลประเภทไหนเป็นต้นก็บอกไว้ถึงเป็นมนุษย์มีปัญญาพอสมควรแล้วก็มีสถานะทางการเงินก็พอสมควรอันนี้มาจากกุศลประเภทไหนอย่างไรก็บอกไว้ในรายละเอียดมีอยู่แต่ถ้าจะเจาะลึกลงไปซึ่งพุทธเจ้ารู้ไหมรู้ใช่ไหมแต่ถ้าจะเจาะลึกลงไปบอกว่าแล้วกรรมที่ทํานั้นน่ะ ทำไว้กี่หน่วยส่งผลไปกี่หน่วยเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ในสังสารวัตที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วกี่ชาติแล้วจะไปเกิดต่อีกี่ชาติจะรับผลอีกเท่าไหร่รับแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรจากนั้นจะไปเป็นอะไรอะไรเป็นต้นไปตามลาดับอันนี้เริ่มแลเริ่มมืดมนแลถึงบอกว่าถ้าคิดแล้วมีส่วนอย่างความเป็นบ้ามมีส่วนอย่างความเป็นบ้าคือมันคิดไม่ออก น้นเธอถามบอกว่ากรณีอย่างนี้แปลว่ามันมันควรรู้อยู่ในขอบเขตของบุตรชนพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเธอรู้ได้แค่นี้เออปัญญาของเธอพุทธเจ้าบอกว่าสูงสุดปัญญาของบุตุชนเนี่ยเหมือนกับไม้นะสูงสุดเลยนะบางคนก็เหมือนกับคืบหนึ่งอย่างความลึกของมหาสมุทรบางคนก็สองคืบสามคืบบางคนก็หนึ่งศอกบางคนก็หนึ่งวา บางคนก็สองวาร์ามวาร์สาร์ดิชนปัญญาอย่างสูงสุดได้ไม่เกิน9วาตั้งแต่10วาเป็นต้นไปเป็นของพระอริยะขนาดพระสาลีบุตรเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งสงไข่แสนมหากรอบความลึกของปัญญาของท่านภาษาลีบมหาสมุทรเนี่ยมีความลึก8 4 0 0 0ื่นสนยแต่ภาษาลีบุตรเนี่ยถ้าอุปมาเหมือนความลึกปัญญาประมาณ8 4 0 0 0ืวาโยชนึ่งสกกิโลเมตร ความลึกมีแปดหมืนสพันยชนี 8, 000, 000นถ้าพุทธญานประมาณนั้นแต่ภาษาริบุตรยังถึงพุทธญานได้ประมาณ 84% ดหมพวาเท่านั้นเองนี่ยภาษาริบุตรเนี่ยในบรรดาประชาชนทั้งโลกนี่นะทั้งเทวโลกทั้งหลายไม่มีใครเกินภาษาริบุตรด้านปัญญาเฉพาะระดับสาวกระดับบุคคลที่เป็นสาวกไม่มีใครเกินเลยมีแต่น้อยกว่ามีปัญญาแค่ แปดหมพันวาถ้าจักอุปมาอย่างนี้เลยฉะนั้นมันจำกัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ต้อง <waren> การบอกให้รู้พุทธเจ้าบอกว่าอยากจะรู้ไหมออยากจะรู้มากระดับไหนอยากจะรู้ระดับภาษาลิบุตรก็ทําเขตให้เท่าภาษาลิบุตรอยากจะรู้เท่าพระโมคคัลลานะก็สร้างเหตุให้เท่ากับพระโมคคัลลานะแต่ถ้าปรารถนาอยากจะรู้อย่างไม่มีขีดจํากัดสร้างเหตุให้เท่าพระพุทธเจ้าแล้วเธอจะรู้อย่างไม่มีขีดจํากัด แต่เธอก็ต้องเมื่อเธอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเธอจะรู้ว่าใครควรตอบหรือไม่ควรตอบบางคนเนี่ยรับข้อมูลไม่ได้สมองเขาแตกรับไหวหรือเหมือนกับโยมทีเนี่ยมีลูกอายุห้าขวบกล้าไหมที่จะเอาความรู้ทั้งหมดอัดข้อมูลลูกลกล้าไหมลูกจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนและเออทันทีเนะฉันใดพระพุทธเจ้านั้นสร้างบา ร, รมีมาอย่างยาวไกล ไม่กล้าเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่กล้าพระองค์ไม่ทำร้ายพวกเราด้วยข้อมูลที่มากเกินกว่าเหตุพพุทธเจ้าตัดสรู้ทั้งหมดรอบรู้ทั้งหมดพรุทธเจ้าชั่วหายใจเข้าและหายใจออกพระบรมศาสดาและลึกชาติได้9ก้บเกับเรานี่หายใจเข้าออกนึกอดีตได้ไม่กี่เรื่อง